วิธีทำให้ความจำไม่ผิดพลาดเราได้ทราบผลร้ายของการจำผิดพลาดเละเลื่อนมาแล้วว่ามีมากมายและก่อให้เกิดผลเสียหายได้มากเพียงใดดังนั้นเราก็น่าจะได้ช่วยกันค้นหาวิธีช่วยให้ความจำไม่ผิดพลาดเชื่อถือได้หรือถ้าจะผิดพลาดก็ขอให้ผิดพลาดแต่น้อยไม่ควรปล่อยไปตามยถากรรม แต่การที่เราจะขจัดมูลเหตุแห่งการจำผิดพลาดได้มากน้อยเพียงใดนั้นย่อมแล้วแต่ความตั้งใจจริงของแต่ละบุคคลแต่ละเรื่องแต่ละรายไปโดยเฉพาะการขจัดความจำที่ผิดพลาดนั้นสิ่งสําคัญที่เราต้องมีคือความสํารวมหรือสมาธิ ต่อไปนี้เป็นข้อแนะนำที่เกี่ยวกับการปรับปรุงความจำให้เชื่อถือได้ของนักจิตวิทยาผู้มีชื่อเสียงท่านหนึ่งซึ่งถ้าหากว่าคุณจะได้สนใจอ่านและถือปฏิบัติตามแล้วจะเกิดคุณค่าแก่คุณเป็นอย่างมากจงจาให้ล้นเสียแต่แรกเริ่มการจำให้ล้นเป็นวิธีที่นับว่าได้ผลแน่นอนที่สุดในการป้องกันไม่ให้เกิดความจำพลาดขึ้น ท้งนี้เพราะคนที่จาได้ในทันทีที่ได้ยินหรือได้เห็นหรือทั้งได้ยินและได้เห็นแล้วเลิกสนใจทันทีเมื่อจาได้แล้วนั้นนับว่าเป็นการคิดที่ผิดพลาดเพราะเท่ากับเป็นการเปิดช่องว่างให้เกิดขึ้นภายในสมองช่องความจําอย่างกว้างมากสำหรับการจําผิดในภายหลังที่จะแทรกเข้าไปอยู่ในช่องความจํานั้นส่วนมากในวันรุ่งขึ้น ขอให้เข้าใจว่าเรามีเวลาอย่างเหลือเฟือต่อการจำที่จะให้ล้นสมองช่องความจำเช่นหลังจากที่เราได้ฟังสุนทรพจน์และได้พยายามจดจำมาตั้งแต่ในขณะแรกแล้วครั้นเมื่อเรานั่งรถกลับบ้านหรือเมื่อมาถึงบ้านแล้วขณะที่เรานั่งพักผ่อนหรืออาบน้ำเราอาจจะใช้เวลาเหล่านั้นทบทวนสิ่งที่เราได้จำไว้แล้วนั้นให้แม่นยาขึ้นอีกจนกล่าวได้ว่าจาจนล้นและถ้าคุณมีความตั้งใจจริงแล้ว การจำจนล้นก็จะกระทําได้โดยไม่ยากลำบากนักการทบทวนความจาในทันทีและในเวลาต่อไปนั้นจะได้ผลดีเลิศต่อการจาจนล้นฝึกใช้วิธีตรวจสอบความจาเสมอความจาที่ผิดพลาดจะถูกขจัดไปเสียได้ถ้าหากว่าคุณจะได้พยายามใช้วิธีตรวจสอบความจาของคุณกับบันทึกหรือเอกสารเสียแต่เน่นๆถ้าพบว่ามีการผิดพลาดจะค่อยๆสูญหายไปและความจาของคุณ ก็จะล้วนแต่เป็นความจำที่เชื่อถือได้ทั้งสิน้นจงบันทึกลายลักษณ์อักษร น, นำทางทุกครั้งที่คุณจดจําอะไรมาได้แล้วจงบันทึกหัวข้อคุณจํานั้นไว้ในสมุดบันทึกถ้ามีเวลาและลงรายละเอียดไปด้วยก็ยิ่งดีจงรีบจดบันทึกภายหลังที่ได้เห็นได้ยินมาทันทีอย่าปล่อยเวลาให้ล่วงเลยนานเกินไปเพราะอาจผิดพลาดได้ในการจดบันทึกข้าพเจ้าใคร้ขอแนะนาว่า ควรเขียนวันที่ที่จดบันทึกลงไปด้วยแล้วใช้เวลาที่พอจะเปรีกได้มาอ่านทบทวนความจำติดต่อกันไปสักช่วระยะ1หนึ่งหรือสองสัปดาห์ถ้าทำได้เช่นนี้การจำผิดพลาดจะไม่เกิดขึ้นแก่คุณหรือคุณจะจดจำได้นานกว่าการบันทึกลงในสมองแต่อย่างเดียวด้วยก่อนตัดสินใจเชื่อความจำ ในเรื่องสำคัญสำคัญก่อนที่คุณจะตัดสินใจเชื่อความจำของคุณหรือก่อนที่จะทำหรือพูดอะไรออกไปให้ปรากฏแก่ผู้อื่นและการพูดนั้นอาจจะนำไปสู่การโต้แย้งได้แล้วล่ะก็ขอเตือนว่าจงตรวจสอบความจำของคุณกับบันทึกที่จดลงไว้นั้นเสียก่อนว่าถูกตรงกันหรือไม่ตัดอคติออกให้หมดเพื่อให้สิ่งที่คุณนึกได้นั้นเป็นสิ่งที่เกิดมาจากความจำที่ถูกต้อง คุณจะต้องพยายามตัดความอาคติออกไปเสียให้พ้นและจงเข้าใจว่าคุณนั้นมีความหวังและความเธอเยือทยานหวังในสิ่งใดถ้าพบคําตอบประการใดแล้วจงอย่าเปลี่ยนแปลงความจําของคุณโดยเด็ดขาดก่อนที่คุณจะตัดสินใจนําเอาความจําไปใช้ประโยชน์ได้นั้นขอเตือนว่าจงพยายามคิดทบทวนให้ดีให้เวลาพอสมควรอย่าใจเร็วด่วนได้จงเตือนใจตัวเองไว้เสมอว่า คุณอาจจำผิดพลาดก็ได้ดังนั้นจงเสียเวลาในการคิดทบทวนจะดีกว่าเสียใจในการจำผิดพลาดจงเข้าใจเสียแต่แรกเริ่มในการที่คุณจะจดจำเรื่องสิ่งใดได้ไม่ผิดพลาดนั้นประการสำคัญที่สุดคุณจะต้องมีความเข้าใจในเรื่องที่จะจำนั้นเสียก่อนตั้งแต่แรกเริ่มทั้งนี้ก็เพราะถ้าแม้หากว่าคุณยังเข้าใจคำถามไม่กระจ่างชัดเช่นนั้นแล้วก็จะเป็นการง่าย ที่ประสาทจะเปลี่ยนแปลงความจําของคุณให้ไขว้เขวผิดพลาดไปได้ไง่ายๆในการรับฟังหรือดูสิ่งใดเรื่องใดจะต้องจดจําถ้าหากว่าคุณมีสมาธิเพ่งเล็งอยู่แต่เฉพาะสิ่งนั้นแล้วคุณย่อมจําได้อย่างแม่นยําไม่ผิดพลาดแต่ถ้าขาดความสํารวมความจําของคุณย่อมผิดพลาดได้ง่าย จากการทดสอบของนักจิตวิทยาปรากฏว่าการจำผิดพลาดได้ง่ายมากเพราะการโน้มเอียงไปข้างที่จะจำเฉพาะแต่หัวข้อสำคัญสำคัญไม่สนใจในสิ่งปลีกย่อยอันเป็นสิ่งประกอบดังนี้แล้วการจำผิดๆจึงเกิดขึ้นเพราะเกิดช่องโหว่ได้ในระหว่างหัวข้อสำคัญสำคัญซึ่งเราจะได้หาวิธีป้องกันต่อไปโดยลำดับวิธีแก้ไขาการจำแบบครึ่งๆกลางกล การจำอย่างครึ่งครึ่งกลางกลางคืออะไรการจำอย่างครึ่งครึ่งกลางๆงนั้นหมายว่าเมื่อเราคิดจะจำเรื่องของใครคนใดคนหนึ่งหรือต้องการจำรายละเอียดสินค้าภายในร้านค้าของเราอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างแต่แล้วเราจำไม่ได้ครบถ้วนหมดคงจำได้แต่เพียงบางตอนของสิ่งนั้นๆเช่นนี้แล้วนับว่าเราจำได้ไม่สมบูรณ์และไม่แน่ใจว่าจะถูกหรือผิดประการใดกันแน่ที่ข้าพเจ้าใช้ว่า การจำแบบครึ่งๆกลางๆก็เพราะในความจำของมนุษย์เรานั้นมีช่องว่างอยู่มากมายที่เคยขวางกั้นอยู่การจำของเราบางสิ่งบางอย่างยังไม่สมบูรณ์อาจจะมีผู้ถามว่าเหตุใดเราจึงจำเรื่องราวหรือสิ่งต่างๆมากมายหลายเรื่องได้อย่างครึ่งๆกลางๆ คำตอบต่อปัญหาข้างต้นนี้ก็คือเพราะว่าเมื่อเราจำสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้แล้วยังไม่ได้ทันจะทบทวนความจำให้ฝังแน่นแม่นยำเราก็ต้องไปพบกับเหตุการณ์หรือเรื่องอีกอย่างหนึ่งเข้าซึ่งเราจะต้องจดจำเพิ่มขึ้นอีกและเพราะเราไม่ได้บันทึกสิ่งนั้นไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเมื่อเวลาเราต้องการใช้ความจำในเรื่องนั้นเราจึงนึกได้แต่เพียงกระท่อนกระแท่นหรือครึ่งครึ่ ง, งกลางๆเท่านั้นอย่างไรก็ตาม นักจิตวิทยาได้ทดสอบเกี่ยวกับเรื่องความจำของมนุษย์เราแล้วผลปรากฏว่าบันทึกความจำของสมองของมนุษย์เรานั้นมีการต่อเนื่องกันประดุดห่วงลูกโซ่สี่ห่วงถ้าหากเราจำไม่เต็มครบทั้งสี่ห่วงนั้นแล้ว ความจำอันนั้นก็เป็นเพียงความจำครึ่ ง, ง, งๆกลางๆแต่ถ้าเราจะได้สนใจในห่วงแห่งความจำให้มีประสิทธิภาพทั้งสี่ห่วงแล้วเราก็สามารถจำได้อย่างสมบูรณ์และไม่ผิดพลาดสามารถหยิบออกมาใช้ได้ในทุกกรณีและทุกขณะที่ต้องการจะใช้ความจำที่ว่าประดุดห่วงลูกโซ่สี่ห่วงนี้คือการบันทึกลงไว้การคงไว้การเรียกคืนการจำได้ห่วงแต่และห่วงดังกล่าวข้างต้นนี้ จะต้องมีความแข็งแรงพอที่จะยึดเหนี่ยวความจำอันสมบูรณ์ไว้ด้วยกันดังนี้แล้วความจำก็เป็นความจำที่สมบูรณ์ไม่ผิดพลาดไม่เป็นการจำอย่างครึ่งครึ้งกลางๆอย่างไรก็ดีจากการทดสอบของนักจิตวิทยาและแพทย์ผู้ซึ่งเชี่ยวชาญทางโรคที่เกี่ยวกับสมองได้พบว่าในขณดใดที่ประสิทธิภาพและสุขภาพของมนุษย์เราลดต่ำลงตามไปนั้น ห่วงแห่งความจำของเราก็จะอ่อนแอลงและจะหลุดจากกันจากห่วงหนึ่งกับอีกห่วงหนึ่งด้วยเหตุนี้เมื่อร่างกายของเราร่วงโรยสมรรถภาพสุขภาพเสื่อมโทรมลงความจำของเราก็ย่อมเสื่อมตามไปด้วยวิธีการอุ่นเครื่องให้ระลึกขึ้นมาได้ถึงความจำนั้นอาจต้องการเวลาพอสมควรและแล้วแต่ละบุคคลไป แม้จะเป็นในเรื่องที่เราจำได้ดีแล้วก็ตามดังนั้นเพื่อขจัดความจำครึ่ ง, ง, งๆกลางๆเราจะต้องมีการอุ่นเครื่องสงบใจเรียกสมาธิในการคิดเพื่อทําให้จิตใจให้ผ่องแผ้วแจ่มใสต่อสถานการณ์ซึ่งคุณจะต้องระลึกนึกขึ้นมาเสียก่อนเมื่อคุณได้เห็นใครคนหนึ่งที่คุณจำได้แต่ยังนึกชื่อคน น, นนั้นไม่ออกในทันทีนั้นจงอุ่นเครื่องและพยายามรื้อฟื้นเรื่องราวเดิมขึ้นมาเป็นขั้นๆ อย่าพยายามนึกความจำของคุณด้วยการนึกชื่อของคนคนนั้นให้ได้และอย่าเร่งร้อนใจแต่จงค่อยๆนึกถึงรายละเอียดต่างๆเป็นต้นว่าได้เคยพบคนคนนั้นที่ไหนเมื่อไหร่ในงานอะไรมีใครรวมอยู่ในกลุ่มนั้นบ้างคนคนนั้นมีหน้าที่อะไรทำงานที่ไหนใครแนะนำให้รู้จักกับคุณแล้วพยายามคิดหาคำตอบทีละข้อทีละข้ อ, ขอจงสังเกตว่าทุกครั้งที่ตอบได้ข้อหนึ่ง จะช่วยให้คุณนึกถึงข้อต่อๆไปได้เกี่ยวโยงกันไปและอาจทำให้คุณนึกชื่อคนคนนั้นได้อย่างครึ่งครึ่งกลางๆในระยะแรกจงนึกต่อไปช้าๆอย่างใจเย็นแล้วต่อไปคุณก็จะระลึกชื่อคนคนนั้นขึ้นมาได้ในพริบตาต่อมาสมดังที่คุณต้องการการอุ่นเครื่องเพื่อให้นึกได้นี้อาจจะนำไปใช้ได้แม้ในกรณีที่ค้นของที่ได้หายไป เพราะการนำไปไว้ผิดที่ด้วยความหลงลืมเผลอเลอแล้วคิดไม่ออกว่านำไปไว้ที่ใดเมื่อต้องการจะใช้ของนั้นส่วนในเรื่องการสงบใจตั้งมั่นสมาธินั้นการทดสอบปรากฏว่าให้ผลดียิ่งเพราะได้แสดงให้ประจักษ์ชัดว่าอารมณ์ของมนุษย์เรานั้นมีผลอย่างมากมายต่อการจำทั้งนี้เพราะอารมณ์มีผลต่อประสิทธิภาพในการบันทึกแต่ในขณะเดียวกัน มีผลร้ายต่อการนึกด้วยเช่นในการสอบสัมภาษณ์อารมณ์สมาธินับเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเพราะส่วนมากมักปรากฏว่านักศึกษาเมื่อถูกสัมภาษณ์มักเกิดอารมณ์วันไม่อาจจะสงบใจตั้งสมาธิได้เมื่อได้นั่งอยู่เบื้องหน้าอาจารย์ผู้สอบสัมภาษณ์บางคนประมาขนาดจำสถานที่เกิดและสถานศึกษาขั้นต้นของตนไม่ได้ก็มี ข้าพเจ้าได้เคยไปร่วมในงานสังสรรค์ต่างๆหลายครั้งและในหลายครั้งเหมือนกันที่ได้พบว่ามีคนหลายคนที่ได้รับเชิญให้ลุกขึ้นกล่าวปราศัยหรือกล่าวคำอวยพรทั้งๆที่คนคนนั้นก็รู้ตัวอยู่แล้วว่าจะต้องถูกเชิญให้ขึ้นพูดจึงได้เตรียมคำพูดไว้แต่ครั้นเวลาถูกเชิญให้ลุกขึ้นพูดเข้าจริงเขากลับประมาตื่นเต้นขาดสมาธิจำถ้อยคำที่เตรียมไว้ไม่ได้ จึงพูดได้อย่างกระท่อนกระแท่นสำนวนดีๆที่เตรียมไว้ก็ลืมเสียสิ้นเหล่านี้ล้วนเป็นเรื่องของการขาดการสำรวมขาดสมาธิทั้งสิ้นลักษณะต่างๆของอารมณ์ที่สามารถเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพแห่งความจำของเรานี้จากการทดสอบปรากฏว่าบางคราวลดเหลือเพียงในตำแหน่งศูนย์อารมณ์ร้ายเหล่านี้ได้แก่อารมณ์ที่ก่อให้เกิดความวิตกกังวล ความระแวงสงสัยความรู้สึกเกลียดชังความรู้สึกอึดอัดไม่สะดวกสบายใจความยุ่งยากใจความหมกมุ่นใจความหดหู่เศร้าใจกลุ้มใจความมีปมด้อยความรู้สึกเมื่อถูกสบประมาทความประมาทอายลังเลใจขาดความเชื่อมั่นในตนดังนั้นถ้าต้องการขจัดความจำอย่างครึ่งครึ่งกลางกลางให้หมดไปจงพยายามกำจัดอารมณ์ดังกล่าวข้างต้นนี้เสีย เมื่อใดที่รู้สึกว่าจะเป็นการยากที่จะระลึกนึกถึงอะไรสิ่งใดขึ้นมาก็ตามจงพยายามกำจัดอารมณ์ร้ายเหล่านี้ออกไปเสียจากระบบประสาทของคุณพยายามทําใจให้เยือกเย็นตั้งสมาธิแล้วค่อยๆ ค, คิดทําใจให้หนักแน่นแล้วไม่ช้าคุณก็จะคลายความว้าวุ่นสับสนได้ถ้าคุณต้องการจะระลึกนึกถึงสิ่งใดที่เลือนลางจนกลายเป็นความเด่นชัดขึ้นมาและเป็นการร ะ, ะลึกที่แน่นอนไม่ผิดพลาด และขอแนะนำให้จดบันทึกไว้ในสมุดบันทึกที่จะหยิบดูได้ง่ายเมื่อต้องการเคล็ดลับในการนึกเคล็ดลับที่เหมาะแก่การที่จะนำไปช่วยในการระลึกได้ให้เกิดผลดีและไม่มีการผิดพลาดนั้นมีดังนี้สิ่งที่ได้บันทึกลงไว้อย่างเลือนลางแต่เริ่มแรกสิ่งที่เราไม่ได้ฝึกหัดในการนึกคิดท่าทางกระทาและอารมณ์จะเป็นการฟื้นฟูความจาขึ้นได้มาก ถ้าหากเราจะย้อนกลับเข้าไปอยู่ในสถานการณ์อันเลือนลางในความจำของเราที่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกด้วยเหตุนี้เองในการสอบไล่ทุกครั้งเราจึงมักจะได้เห็นว่าครูมักจะสับห้องที่เราจะเข้าสอบเสียคือโดยปกติเรียนอยู่ในห้องเลขที่ห้าตึกกอเวลาเราสอบอาจต้องไปนั่งเลขสองตึกขอก็ได้การที่ครูจับสับเปลี่ยนเช่นนี้ ก็เพราะปรารถนาจะให้นักเรียนรู้จักการใช้ความคิดในการรื้อฟื้นเอาความจำออกใช้นั่นเองจากการทดสอบมักปรากฏว่าเด็กนักเรียนที่นั่งสอบอยู่ในห้องเรียนเดิมเก้าอี้โต๊ะตัวเดิมมักจะตอบข้อสอบไล่ไ ด, ด้ดีกว่าเมื่อเปลี่ยนห้องสอบไล่ซึ่งแสดงว่าการอยู่ในที่เดิมหรือสิ่งที่ได้บันทึกไวอ้อย่างเลือนรางแต่เริ่มแรกนั้นช่วยให้ความจำเกิดขึ้นได้ง่ายและรวดเร็วก ว, กว่าการที่เปลี่ยนสถานที่ใหม่สำหรับเคล็ดลับที่ว่า การบั ล, ลึกได้จากสิ่งที่เราไม่ได้ฝึกหัดในการนึกนั้นเช่นนายกอได้ทำสมุดบันทึกส่วนตัวหายไปนึกไม่ออกว่าได้วางลืมไว้ที่ใดแต่แล้ววันหนึ่งมีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นเขาจึงเดินไปยกหูโทรศัพท์ขึ้นแนบหูในทันทีนั้นเองภาพภาพหนึ่งก็วูบขึ้นในความทรงจำ คือนึกได้ว่าเขาได้ลืมสมุดไว้ณที่ใดทั้ทงนี้ก็เพราะเขาระลึกได้ว่าในวันที่เขาทําสมุดบันทึกหายนั้นเขากําลังนั่งอ่านหนังสือและมีเสียงกริ่งโทรศัพท์ดังขึ้นเขาจึงเอาสมุดบันทึกนั้นไว้ใต้เบาะเก้าอี้ตัวนั้นแล้วจึงเดินไปรับโทรศัพท์แล้วก็ออกไปธุระนอกบ้านกลับมาจนดึกแล้วจึงเลยลืมเรื่องสมุดบันทึกเสียสิน้น เพราะการที่เขาเอาไปซุกไว้หลังบเบาะเก้าอี้นั้นเขาไม่ได้กระทำโดยจงใจและเมื่อย้อนกลับมาค้นหาดูก็มีอยู่จริงๆสำหรับการฟื้นฟูหรือการทำท่าและการเคลื่อนไหวที่ซ้ำๆกันนั้นย่อมเป็นประโยชน์ในการนึกการเรียกร้องความจำที่ให้ผลดียิ่งดังที่ได้กล่าวมาแล้วทั้งนี้ก็เพราะความจำทางกล้ามเนื้อนั้นมักจะมีความคงทนอยู่ได้นานเป็นพิเศษ จึงกล่าวได้ว่าการฟื้นฟูความจาทางกล้ามเนื้อโดยนำตนไปสู่ท่าทางและการกระทาแต่แรกเริ่มนั้นเป็นการกระทาให้รอยจารึกของสิ่งที่เราหาไม่พบนั้นปรากฏเด่นชัดขึ้นมาอย่างไรก็ดีการใช้วิธีย้อนกลับไปสู่สถานการณ์เมื่อแรกเริ่มนั้นแม้จะได้ผลดีมากดังกล่าวมาแล้วก็ตามแต่ก็ไม่อาจจะได้ผลแน่นอนในทุกรายเสมอไปเหตุผลแห่งความล้มเหลวก็คือ การที่เราพยายามนึกหนักจนเกินไปนั่นเองจึงทําให้พลาดจากผลที่ควรได้ตามวิธีนี้ดังนั้นในการใช้เคล็ดลับนี้จึงควรจะต้องใช้เวลาบ้างพอสมควรคนที่ขาดความอดทนใจร้อนย่อมไม่ได้รับผลจากวิธีนี้จงใช้วิธีให้โอกาสแก่ธรรมชาติโดยการใช้ท่าทางและการกระทารวมทั้งอารมณ์ซึ่งเกิดมีขึ้นเมื่อรอยประทับแรกนั้นได้เกิดขึ้นในความจาและจงจาไว้ว่า การใช้วิธีดังกล่าวนี้ต้องมีสมาธิและรวบรวมสติให้มั่นและใช้วิธีดังนี้ 1. การล่อด้วยการคิดใครควรถึงเรื่องที่ต้องการจะนึกอย่างหนักในช่วงระยะเวลาอันสั้นแล้วปล่อยอารมณ์ตามสบาย 2. การรอเมื่อล่อแล้วรอด้วยการปล่อยอารมณ์ให้คลายความเครียดปล่อยให้ความคิดฟื้นรอยจำตามลำพังของมันเองจุดประสงค์ของการล่อคือการกระทำภายในที่กล่าวนั้น เข้าไปสู่จุดหมายที่เราต้องการหรือจะให้สมองช่วยให้ความคิดเด่นชัดออกมาจุดหมายของการรอก็คือสงบใจรอคอยให้ความคิดผ่านออกมาเองแล้วไปปรับกับความจำที่โผล่ออกมาด้วยการล่อให้รื้อฟื้นเป็นความคิดที่ถูกต้องวิธีป้องกันการลืมเราได้พูดกันมาแล้วถึงเรื่องของความจำในส่วนที่เกี่ยวกับหลักในการจาวิธีสร้างการจูงใจให้เกิดความจา การเตรียมตัวให้เกิดปฏิกิริยาให้จำดีขึ้นเพราะเคล็ดลับต่างๆในการเสริมสร้างความจำกันมาแล้วในลำดับนี้จึงขอพูดถึงเรื่องวิธีจะป้องกันการลืมหรือวิธีที่จะทำให้ความทรงจำของเราคงอยู่ตลอดไปให้นานที่สุดกว่าที่จะทำต่อไปได้ข้าพเจ้าได้ยินคนส่วนมาก มักจะปรากรบออกมาว่าคนนั้นช่างเป็นคนที่ลืมเก่งเสียนี่กระไรบางคนได้แลเห็นได้ยินหรือได้พูดอะไรมาเพียงชั่วเวลาไม่กี่ชั่วโมงบางครั้งไม่กี่สิบนาทีก็ลืมเสียแล้วแต่ในทางตรงข้ามบางคนเมื่อได้เห็นได้ยินได้พูดอะไรแล้วนานเท่านานก็จะไม่ลืมถ้าเราจะจำแนกสิ่งที่อาจลืมได้ง่ายและลืมได้ยากแล้วอาจจะจำแนกได้ดังนี้คือสิ่งที่ลืมง่ายที่สุดได้แก่ชื่อคน ชื่อสิ่งของชื่อสถานที่วันที่สิ่งที่ไม่ก่อให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินสิ่งที่ต้องฝืนใจจําด้วยความจําเป็นบังคับบทเรียนที่เรียนด้วยการท่องจําแต่ไม่เข้าใจความล้มเหลวของตนในอดีตเรื่องที่เราไม่เข้าใจและไม่สนใจสิ่งที่เราพยายามจําให้เมื่อสุขภาพไม่สมบูรณ์อ่อนเปลี่ย เ, เหน็ดเหนื่อยมาแล้วสิ่งที่จําแล้วลืมยากได้แก่ สิ่งหรือประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดความสนุกสนานวิชาหรือสิ่งที่เราได้ทบทวนก่อนเข้านอนและตอนเช้าตรู่สิ่งที่เราเห็นว่ามีค่าควรแก่การจดจำสิ่งที่ให้ความสมใจและให้เวลามากก่อนจะผ่านไปวิชาหรือเรื่องราวต่างๆที่มีการพูดถึงกันอยู่เสมอข้อความที่ยาวและยากที่เราต้องใช้ความพยายามจำมากวิชาที่เราหมั่นทบทวนเสมอข้อเท็จจริงที่เราให้ความสนใจมากความสำเร็จของเราเอง ความจำที่ผูกพันอยู่กับกล้ามเนือ้อลืมเร็วเพราะไม่พยายามจำ สาเหตุแห่งการลืมเร็วประการสำคัญที่สุดได้แก่การที่เราไม่พยายามที่จะจดจำข้อความหรือสิ่งที่ผ่านหูผ่านสายตาของเราไปอย่างจริงจังที่เห็นได้ชัดได้แก่การอ่านข่าวและเรื่องราวต่างๆในหนังสือพิมพ์รายวันซึ่งเรามักจะจำไม่ได้นานนักนอกจากข่าวที่ก่อให้เกิดความสนใจเป็นพิเศษทั้งนี้ก็เพราะการอ่านข่าวในหนังสือพิมพ์นั้นเป็นการอ่านตะลุยไปอย่างรวดเร็วและไม่ได้เกิดความตั้งใจในการที่จะจดจำมากนัก คงอ่านเรื่อยๆไปเพราะต้องการรู้ข่าวความเคลื่อนไหวประจำวันทั่วๆไปในวันหนึ่งๆเท่านั้นและเมื่ออ่านไปแล้วก็ไม่ได้ใส่ใจจำจึงยากที่จะหวนระลึกถึงเรื่องราวต่างๆนั้นได้ถูกต้องในเมื่อเวลาล่วงเลยแม้เพียงข้ามคืนเดียวในการอ่านหนังสือพิมพ์ไปเรื่อยขณะรับประทานอาหารดื่มน้ำชากาแฟหรือค่าเวลาระหว่างการรอคอยใครนั้นเราไม่ได้พยายามที่จะจดจำ ขาดสมาธิแน่วแน่นั่นเองจึงไม่มีปฏิกิริยาที่สมบูรณ์พอที่จะจดจำได้นอกจากนั้นการอ่านหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งนั้นมักจะมีหัวข้อข่าวหรือบทความสารคดีบันเทิงเรืองรมต่างๆหลายสิบหัวข้อเมื่ออ่านเรื่องนี้จบก็ไปอ่านต่อเรื่องนั้นเรื่องโน้นติดต่อกันไปในทันทีข้อความเรื่องราวที่เราได้อ่านพบใหม่ ข้อความเรื่องราวที่เราอ่านพบในเรื่องใหม่ย่อมจะลบรอยความจำที่สมองได้บันทึกไว้จากหัวข้อเรื่องก่อนๆ น, นั้นเสียก่อนที่จะจำได้ฝังรอยลึกลงไปพอแก่การจดจำได้นานๆจะทำให้เราจำอะไรเกือบไม่ได้เลยจากการทดลองระยะอันยาวนานของความจำกับเด็กนักเรียนชั้นประถมปีที่4คนหนึ่งซึ่งถูกครูสั่งให้ท่องหนังสือเกี่ยวกับวิชาภูมิศาสตร์2หน้าในเวลา30นาที เมื่อหมดเวลาครูทดสอบความจำข้อความที่สั่งให้ท่องนั้นปรากฏว่าเด็กนักเรียนตอบถูกต้องประมาณ 80% ครั้นเมื่อสองสัปดาห์ต่อมาครูได้ย้อนถามข้อความในสองหน้านั้นอีกคราวนี้โดยส่วนเฉลี่ยแล้วเด็กตอบได้เพียง 20% เท่านั้นตามที่ได้กล่าวมาแล้วนี้แสดงให้เห็นชัดว่าความจำของเด็กนั้นในเรือนหายไปตามวันเวลาที่ได้ล่วงไปในระหว่างสองสัปดาห์นั้นเกือบหมดสิน้นหรือบางคนอาจลืมหมดเลยก็ได้ แต่ความจำที่นักเรียนต้องใช้อยู่เป็นประจำนั้นจะไม่มีวันลืมเลยเช่นการท่องสูตรคูณทุกวันและต่อมาก็ต้องใช้ทุกวันนั้นแม้อีกหลายสิบปีต่อมาเราก็ยังไม่ลืมความจำในชื่อโรงเรียนที่เราไปเรียนอยู่ทุกๆวันก็จะไม่มีวันลบเลือนไปเช่นกัน คนที่ย่างเข้าสู่วัยชาราซึ่งมักจะลืมง่ายความจำเสื่อมนั้นก็มีทางที่จะช่วยเพิ่มความจำได้โดยเมื่อเราจะจดจำสิ่งใดที่เห็นว่าควรจะจำนั้นจงกล่าวถึงสิ่งนั้นซ้ำๆอยู่เสมอจนกระทั่งติดอยู่ที่ริมฝีปากจะนำออกมาใช้เมื่อใดก็ได้ดังนี้แล้วความจำของเราก็จะดีขึ้นกว่าปกติธรรมดา ดังนั้นเพื่อป้องกันการลืมง่ายจงชดเชยการลืมโดยการทบทวนความจำสองามครั้งก่อนเวลาสองสัปดาห์แรกของการเริ่มจําผ่านไปทั้งนี้ก็เพราะสิ่งที่เราท่องจําและจําได้แม้เวลาล่วงเลยไปถึงสองสัปดาห์แล้วเรายังจําได้นั้นสิ่งนั้นจะฝังแน่นอยู่ในสมองของเราและจะไม่ลืมง่ายๆจงจําไว้ว่าถ้าเราปล่อยให้ความจําเป็นไปตามยถากรรมแล้วแน่นักว่าเราจะต้องประสบความล้มเหลวในเรื่องที่จะจดจํา ทั้งนี้ก็เป็นเพราะเมื่อจำได้ในครั้งแรกแล้วเราไม่ได้ช่วยให้รอยประทับใจนั้นกลายเป็นร่องลึกลงไปในช่องความจำของสมอง